ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายังหลวงปฐกมพระอาจารย์พัฒนชัยพระอาจารย์สันติพงศ์พันเตเพื่อนสัตมิกจริญพรมายังแมช่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่เจ็ดกรกฎาคม พุทธศักราช 2,558 นะก็อีกไม่ไม่ถึงเดือนเนาะก็จะเข้าภรรษานะนะก็ได้เห็นบรรยากาศของวัดเรานะก็เริ่มมีหลายคนนะมาแสดงความจำนงที่จะบวชนะจะมาจำพรรษาหรือญาติโยมบางส่วนนะก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะที่จะมาอยู่จำพรรษาร่วมกัน อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะของความอบอุ่นนะที่พอจะมองเห็นได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสไปธุระที่กรุงเทพแล้วก็ได้มีโอกาสแวะไปเยือมเยือนวัดในสายงานของหลวงพระเทียนนะก็คือวัดสนามในนะแล้วก็วัดปลายนานะก็ไปเห็นบรรยากาศของทั้งสองวัดก็ พระไม่มากนะวัดสนามนายมีสัก 3-4 สรูปวัดปลายนาก็มีประมาณ 3-4 สี่รูปนะเท่าที่ทราบก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครจะมาบวชนะก็คงจะมีพระไม่มากนะ่งก็เปรียบเทียบกับวัดเราก็มีมากกว่านะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราก็มีความ รู้สึกอบอุ่นนะทีนี้การที่เรามาอยู่จำพรรษาก็ดีหรือมาช่วงครั้งช่วงกลาวก็ดีเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนคงจะมีเป้าหมายนะหรือมีความตั้งใจที่แตกต่างกันออกไปนะบางคนก็อาจจะต้องการที่สงบนะที่จะมาวางเรื่องราวของครอบครัว นะเรื่องราวของสังคมนะที่ทำให้เรารู้สึกไม่ไม่ค่อยสบายใจนะหรืออาจจะมีความทุกขนะ์อยู่ในจิตในใจนะหรือบางคนก็ต้องการที่จะมาแสวงหาความรูนะ้ที่จะนำไปใช้ในการาแก้ปัญหาในจิตใจของตัวเองนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความต้องการหรือความมุ่งหวังที่แตกต่างกันออกไป เมื่อพูดถึงความรู้นะที่มีในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> มีมากมายนะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นความรู้ที่ออกไปนอกตัว <c oughs> อย่างที่เราได้สาธยายมนไปเมื่อสักครู่นี้นะก็เป็นเรื่องของธรรมะเรื่องของจิตเรื่องของใจนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้นะที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมาเรียนรู้ นะเรื่องที่อยู่ในจิตในใจของเราหรือว่าอยู่ในกายของเรานะความรู้ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะหาได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ง่ายมากๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารนะใช้เครือข่ายอินเทอร์เนะ็ตเรียกว่าอยากรู้อะไรเนี่ยนะก็ให้ถาม google นะความรู้ในก Google มีหมดเลย แม้แต่คําเทศคําสอนของหลว ง, งพ่อที่นั่นหลวงพ่อที่นี่ธรรมะต่างๆมากมายนะเรียกว่าเราสามารถที่จะค้นหาได้ไม่ยากแต่สิ่งที่เราค้นหาได้เนี่ยเราเอามาทำไหมนะอันนี้สําคัญเรามีความรู้มากมายนะแต่เราไม่ได้เอามาทำนะมันก็ได้เพียงแค่ความจำเท่านั้นเองนะแล้วก็ทําให้เรา อ, อาจจะมีความภูมิใจว่าเรามีความรู้ จากการได้อ่านจากการได้ยินจากการได้ฟังนะเรียกว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์นะแต่ถ้าจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นก็คือเราเอามาปฏิบัติเอามาทำเร า, เามาทดลองนะกับตัวเราเองถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัตินำมาทดลองนะจะทำให้เป็นความรู้ที่ติดเนื้อติดตัวไปความรู้ที่ได้จากสื่อต่างๆก็ดีจากหนังสือก็ดี จากการได้ยินได้ฟังก็ดีนะอันนี้เป็นความรู้ที่เรียกว่ารู้จำรู้จักนะซึ่งหลวงมาเทียนก็ใช้คำนี้การรู้จำรู้จักเนี่ยก็เป็นความรู้ที่ได้จากการได้ยินได้ฟังนะจากการที่เรานำารับสื่อสารต่างๆนะอย่างที่ก็บอกเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รู้ก็ถาม Google นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความรู้จำเป็นเหมือนแผนที่ นะเป็นความรู้ประดับสมองนะที่จะทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับใครเข้ารู้เรื่องนะแต่ว่าความรู้อันนี้เนี่ยถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติไม่นำมาทดลองนะมันก็ได้เพียงแต่เอาไว้พูดเอาไว้คุยหนะรือว่าเอาไว้นึกคิดเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเอามาประพฤติปฏิบัติเอามาทดลองนะเราก็จะได้ประสบการณ์ นะแล้วก็มันจะอยู่ติดเนื้อติดตัวเรานะเรียกว่าเป็นความรู้แจ้งและรู้จริงขึ้นมานะลงประเทียนใช้คมว่ารู้จำรู้จักเนี่เป็นความรู้ในเบื้องต้นนะแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัตินะลองผิดลองถูกนะสรุปเป็นประสบาการณ์ของตัวเองนะรู้ว่าอะไรเป็นความรู้อะไรเป็นความหลงนะตรงนี้ นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ด้วยตัวเองไม่สามารถที่จะให้คนนู้นคนนี้มาบอกว่าอันนี้เป็นความรู้ของเราเพราะนั้นธรรมะจึงบอกว่าเป็นสันติโกเป็นธรรมะพึงรู้ได้ด้วยตนเองเราไปได้ยินได้ฟังคนนู้นคนนี้ก็พูดก็ดีไปดูในสื่ออินเทอร์เน็ตก็ดีอันนั้นเป็นความรู้ที่อยู่ข้างนอกนะเป็นความรู้ที่ยังไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริง นะความรู้ที่แท้จริงนั้นจะต้องเกิดจากการปฏิบัติหรือการกระทาลงไปการปฏิบัติหรือการกระทลนะ า, ารระทลงไปเนี่ยถ้าพูดในทางพุทธศาสนาเองเนี่ยมันก็มีเยอะแยะนะแปดหมพันพัทธมรรคขันเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าจะเอาไหนเรียกว่าดูมากอ่านมากฟังมากนะก็เกิดความสับสนเอ๊จะเริ่มต้นตรงไหนจะเอาตรงไหนดี นะทีที่ว่าจะปฏิบัติก็ดีจะทดลองก็ดีจะเริ่มต้นตรงไหนดีนะตรงนี้ก็เป็นปัญหาหมันกันนาะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่หรือคนที่ติดตามข่าวสารต่างต่างนะทีนี้เพื่อให้ง่ายขึ้นนะเพื่อให้เริ่มต้นนะเราก็เข้าไปสู่ใจของการปฏิบัติเลยนะก็คือตามหลักสติมาสติสติปฐานสูตรนะหรือสติปฐานสี นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นทางเอกนะที่พุทธองค์ได้ชี้เอาไว้นะไว้เป็นทางที่เราสามารถที่จะเดินนะด้วยตัวเราเองการฝึกน ะ, จะเจริญสติปัฏฐานนะตามหลักสติปัฏฐาน4เนี่ยนะก็คือการที่เริ่มต้นที่มารู้สึกตัวนะที่กาย ที่เวทนาที่จิตที่ธรรมที่เรียกสติปัฏฐานสี่ก็คือมารู้ตรงนี้นะรู้ที่กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมกายก็กายที่เรารู้กันเนี่ยคือรูปนะที่มันเคลื่อนมันไหวนะที่มันร้อนที่มันหนาวนะที่มันปวดมันเมื่อยนะอาการต่างๆของรูปที่แสดงออกมาเวทนาก็คือความรู้สึก นะความรู้สึกพอใจไม่พอใจนะในภาษาบาลีเรียกว่าการสวยอารมณ์หรือแม้แต่ความปกติเฉยๆนะอันนี้ก็เป็นเบตนานะคาว่าเวตนาไม่ใช้แปลว่าน่าสงสารนะภาษาไทยเรามาใช้กันผิดเพี้ยนไปอันนั้นเป็นคำที่เราโดยทั่วไปเราก็พูดกันนะแต่คำว่าเบทนาก็คือความพอใจไม่พอใจนั่นเอง นะเมื่อเราได้รับทานอาหารที่ถูกปากนะเราก็พอใจทานอาหารที่ไม่ถูกปากเราก็ไม่พอใจหรือขณะที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้ถ้าไม่งก ง, ง่วงไม่งุนงงเรารู้สึกตื่นเตืนแล้วรู้สึกเฉยเฉยนี่ก็เป็นความเป็นปกติเฉยเฉยเรียกว่าเป็นเวทนาอย่างหนึ่งเหมือนกันอันที่สามก็คือเรื่องของจิตนะจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ มันมองไม่เห็นนะแต่มันมีอาการของมันที่แสดงออกมาคือความคิดนะความคิดปรุงแต่งนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่เห็นมันจริงๆเนี่ยนะเราก็จะโดนความคิดเนี่ยมันหลอกเราให้ดีใจให้เสียใจให้วิตกกังวลห่วงใยในเรื่องราวต่างๆนะบางคนก็ห่วงใยในเรื่องลูกเรื่องหลานนะบางคนก็ห่วงใยในเรื่องอนาคต นะบางคนก็อะไรอววรกับเรื่องอดีตนะี่เป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นนะซึ่งถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะเราก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยนะกับความคิดปรุงแต่งหรือบางทีก็เพ้อฝันนะไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆนาะนาะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มาเจริญสติเนี่ยชีวิตของเราก็ไปผูกตนะิดอยู่กับความหลงนะความหลงในความคิดปรุงแต่ง นะทําให้พอใจไม่พอใจนะเรียกว่าใจมันเสียสมดุลใจมันเสียความเป็นปกติไปนะอันที่4ี่ก็คือธรรมคำว่าธรรมนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มีอยู่ในโลกนี้นะทั้งกายใจของเราแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆนะแต่ว่าการจะพูดว่าโหมันทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปรู้เลยเนี่ยบางทีมันก็กว้างขวางเกินไป นะเราก็มาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกระใจของเรานะเช่นความง่วงนะความฟุ้งซ่านนะความเบื่อนะเวลาเราปฏิบัติก็ดีเวลาเรามีชีวิตก็ดนะีเรียกเล็กๆว่า น, นิวรธรรมนะก็เป็นสิ่งที่แสดงหรือปรากฏนะที่จะให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้เห็น แม้แต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะมีความเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปนะไม่คงที่ไม่คงตัวไม่สามารถบังคับบัญชาได้นะที่เขาเรียกว่าไตลักษ์นั่นเองอันนี้ก็เป็นธรรมเหมือนกันนะเป็นธรรมที่แสดงที่ปรากฏนะคนที่จะเห็นได้ก็คือคนที่ฝึกสติเท่านั้นแหละนะคนที่ไม่ได้ฝึกสติหรือคนไม่ได้ใช้สติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวก็จะ ไม่ก็ได้เห็นหรืออาจจะเห็นบ้างก็ได้แต่อาจจะยังไม่ชัดนะถ้าเรามาเจริญสตินะมาทําจิต ภ, ภาวนานะก็จะเห็นได้ชัดจเจนขึ้นนะแล้วก็เราก็จะเข้าใจนะเข้าใจความจริงนะของสิ่งต่างๆนะว่ามันแปรปวนเปลี่ยนแปลงนะไม่คงที่คงตัวไม่เป็นไป ด, ดังใจที่เราต้องการนะนี่ก็เป็นธรรมที่เกิดขึ้น ทั้งสี่ส่วนเนี่ยเราเรียกว่าสติปัฏฐานเป็นส่วนที่สติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยจะเข้าไปเห็นแต่ความรู้สึกตัวเนี่ย <c oughs> จริงๆมันก็มีอยู่แล้วทุกคนนะเพียงแต่ว่าความรู้สึกตัวที่มีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวตามธรรมดาตามสัญชาตญาณ น, นะเป็นความรู้สึกตัวที่มีอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยพอเพียงนะหรือไม่เพียงพอที่เราจะเอามา ดูกายเวทนาจิตธรรมแล้วจึงต้องมาฝึกกันการฝึกก็มีหลายวิธีนะในะพระบาลีนะก็พูดไว้นะหลายวิธีจะเป็นอนาปนาสติก็ดีการใช้อิริยาบถก็ดีการใช้สัมปชัญญะก็ดีหรือการพิจารณาสิ่งที่ไม่น่ารักนะที่เรียกว่าสิ่งปฏิกูลก็ดี พิจารณาธาตุกด็ดีมากมายพระโทองค์ได้นำเสนอไว้หลายวิธีนะแต่ในส่วนของที่วัดป่าสุขโ ต, โตเราเนี่ยนะเราก็จะอาศัยหลักของการเจริญสตนะิกับการเคลื่อนไหวนะที่เรียกว่าอิริยาบถบับพะนะแล้วก็ความรู้สึกตัวที่เรียกว่าสัมปชัญญะ บ, บพะนะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็จะแตกต่างนะไปจากการ ที่เราคุ้นเคยนะส่วนใหญ่พอพูดถึงทำจิตภาวนาก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีนะส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงการนั่งหลับตานะการภาวการบริกรรมนะไม่ใช่การภาวนาบริกรรมพุทโธสัมมาอารหังนะหรือว่ายุบหนอพองหนอนะซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันนะในการที่จะให้เราเนี่ย ให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้กลับมารู้สึกตัวที่กายที่ใจของเรานะไม่เราหลงไปกับความคิดนะไม่หลงไปกับเรื่องราวต่างๆที่เรารับรู้รับทราบเข้ามานะตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีใจที่หนักแน่นนะแล้วก็ได้สัมผัสนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยนะอย่างเช่นกายเนี่ย เราขณะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เราก็รู้ตัวว่าเรานั่งอยูนะ่ถ้าเราไม่รู้ตัวก็คือเราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราไม่รู้ตัวนะแม้ว่าเรานั่งอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่หรือการที่เรายกหมายกมือ <c oughs> <ๆ>การเคลื่อนการไหวซึ่งวิธีการนี้เนี่ยห <c oughs> ลวงพ่อเทียนนะเป็นผู้ที่นําเสนอไวนะ้ก็เป็นวิธีการที่จะ เป็นเทคนิคเป็นอุบายนะที่จะให้เราปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวพูดง่ายคือใจเนี่ยมันคุ้นเคยกับการที่หลงไปกับความคิดลงแต่งหลงไปกับอารมณนะ์อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์สุขอารมณ์ทุกขนะ์ก็ให้เรากลับมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหว หรือการใช้อนาปนานสติเนี่ยก็คือการที่กลับมาที่ลมหายใจนะคำบริกรรมก็เหมือนกันนะก็คือจุดประสงค์ก็คือให้เรากลับมาอยู่ที่สิ่งที่เราทำอยู่เฉพาะหน้าจะเป็นงานนั่งการเดินการยืนและเม้ต่การนอนก็ตามหรือการเคลื่ อ, อนไหว <c oughs> ในเอารียบฏ ย, ย่อนยะจะเป็นการกินการดืม่มการพูดการคิด ก็รู้เท่ารู้ทันแต่แม้แต่แปรงฟันล้างหน้า <c oughs> อุจจาระปัสาวะ <c oughs> การนุ่งการห่มหรือการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้เรากลับมารู้สึกตัวกับสิ่งที่เราทำอยู่เฉพาะหน้าตรงนี้แหละนเป็นการเจริญสติเป็นการทำจิตภาวนาเป็นการเปิดตาใจ นะั่นคือความรู้สึกตัวนะที่มีอยู่แล้วให้มันตื่นขึ้นมาให้มันฉับไวขึ้นทีนี้ในเบื้องต้นของคนที่ฝึกใหม่ๆนะส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะแนะว่าให้เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนนะอย่าเพิ่งไปดูความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจสิ่งที่มันเป็นนามธรรมานะเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้หรือไม่สามารถที่จะไปคิดเอาได้แต่การที่เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่เราจะปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มันฉับไวขึ้นแล้วการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยมันเป็นของห ย, ยาบๆที่เราสามารถที่จะสัมผัสแล้วก็เห็นได้ง่ายนะลมหายใจเนี่ยอาจจะเบานะอาจจะ รู้สึกตัวในขั้นเบื้องต้นนะแต่ว่าทําไปทําไปบางทีมันก็หลงไปหลงไปกับความสงบนะตกผวังนิ่งหลับแล้วบางคนก็ชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบบางคนก็ชอบที่จะสงบนิ่งหลับไปเลยอ่านะไม่ต้องคิดอะไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราติดนะติดกับความสงบติดกับความนิ่งนะมันก็ไม่เกิดปัญญา เราก็เรียกว่าสมถะนะสมถะแต่การที่เราเคลื่อนไหวโดยลืมต า, าไม่หลับตาวิธีการฝึกของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเราจะไม่หลับตาเราลืมตาลืมตาเพื่อเผชิญกับโลกเพื่อเผชิญกับความจริงนะแล้วก็รู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวมันคิดมันนึกอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องห้ามมันแต่ไม่ตามมันมันจะคิดอะไรขึ้นมาให้รู้แล้วก็ทิ้งแหละ ไม่ต้องไปสนใจเลยไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์ไม่ต้องไปหาเหตุหาผลไม่ต้องไปดูเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปงไงไม่ต้องดูมันคิดกันมาทิ้งไปก่อนในเบื้องต้นทิ้งไปก่อนการทิ้งเนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปตั้งใจทิ้งอนะเพียงแค่เราเปลี่ยนมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทิ้งมันไปเองอนะบางคนใช้คําว่าหยุดความคิดบ้างตัดความคิดบ้าง คำพูดอันนี้เนี่ยถ้าเราฟังไม่ดีนะมันก็จะพยายามไปหยุดความคิดไปตัดความคิดนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการ <c oughs> ซ้อนขึ้นมานะเป็นการเป็นความคิดที่ซ้อนขึ้นมาเอาความคิดไปหยุดความคิดเอาความคิดไปตัดความคิดนะตรงเนี้มันก็ทำให้ <c oughs> การเจริญสติของเรานเนิ่นชา้าเพียงแค่มันคิดขึ้นมาเราไม่ตามมัน กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวแค่เนี้มันจะทิ้งของมันเองแล้วการทำอย่างนี้เนี่ยถ้าเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆมันก็จะทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันแจ่มชัดขึ้นมันมีพลังมากขึ้นความคิดปรุงแต่งที่มันเคยมีพลังสั่งให้เราทำให้นู่นทำให้นี่มันจะด้อยลงพลังหรือกำลังมันจะด้อยลงเรียกว่ามันจะครอบงาเราไม่ได้มันจะสั่งให้เราทาให้นู่นไม่นี่ไม่ได้ละ นะหรือเราสามารถที่จะใช้มันได้นะเรียกว่าพอคิดการคิดงานวางแผนที่อยาํทำนู่นทำนี่เราก็หยิบมาใช้เมื่อเมื่อเราใช้เสร็จเราก็วาง <c oughs> บางคนเนี่ยนะไม่ไม่เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะก็โดนความคิดมันกุ้มรุมนะแม้แต่จะหลับจะนอนนะมันก็ยังไม่ปล่อยไม่วางนะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือคือความรู้สึกตัวเนี่ย มา <c oughs> ถอนกําลังมันหรือมาแทนที่ใจของเราเนี่ยมันจะรับรู้ได้ทีละอย่างเท่านั้นแหละถ้าความคิดมันเข้ามาความรู้สึกตัวเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าความรู้สึกตัวเข้ามาความคิดมันเข้ามาไม่ได้นะนี้อันนี้เป็นเป็นความจริงนะที่ผู้ที่ฝึกนะผู้ที่ทําอย่างต่อเนื่องจะเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อเรารู้ กายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกความรู้สึกตัวมันจะคมชัดขึ้นนะมันจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะก็คือเวทนาความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์ความเป็นปกติเฉยๆนะตรงนี้มันจะเริ่มพัฒนาเข้าไปจากการทําความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยแหละนะมันจะเป็นตัวที่จะนำไปสู่สิ่งที่มี ไม่มีตัวตนนะก็คือความรู้สึกก็ดีความนึกคิดก็ดีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราก็ดีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการสัมผัสรู้นะไม่ใช่คิดรู้การเรียนรู้ธรรมะเนี่ยไม่ใช้ความคิดเลยนะใช้ความรู้สึกตัวนะหลายคนอาจจะสงสัยคำพูดคำนี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> เรามักจะคิดรู้เราอ่านหนังสือเราจำได้แล้วเราก็ชอบมาเทียบเคียงนะเมื่อช่วงเก็บอารมณ์มวันอนะัตอมาก็ไปสังเกตนะมีบางคนเนี่ยนะเดินจงกรมด้วยและอ่านหนังสือด้วยนะมีบางคนก็เดินจงกรมด้วยและเสียบเสาเบ้าด้วยอาจจะฟังธรรมะนะแล้วก็พยายามเทียบเคียงว่าเอสิ่งที่เราปฏิบัติกับที่ครูบาอาจารย์พูดมันใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหม ซึ่งไอเนี้ยมันเป็นเป็นเป็นการที่คิดรู้พยายามจะเอาความคิดเอาความจำเนี่ยไปเทียบเคียงจริงๆเราไม่ต้องใช้อย่างนั้นเลยหนังสือเนี้ยเราไม่ต้องอ่านเลยก็ได้อ่านในเบื้องต้นนิดหน่อยแล้วไม่ต้องไปเดินไปแล้วก็ฟังซาวเบาไปน่ากล่อมอันนี้เขาเรียกว่ากล่อมนะเพียงแค่เราทําความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนการไหว เดียร์พ่อทำในรูปแบบเนี่ยเดียร์พ่าคนใหม่เนี่ยนะให้ทํามากๆเดินจงกรมสร้างจาาังหวะทำมากๆเวลาที่เรามีอยู่ที่นี่เนี่ยให้ทําอันนีม้มากๆนะอย่าเอาไปเวลาไปพูดไปคุยไปนอนเล่นไปพักผ่อนนะเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากคนเราเนี่ยอายุไม่เกินไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายร้อยกว่าปีเนี่ยหาได้น้อยมาก แต่ยิ่งในปัจจุบันเ้าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยผู้หญิงจะประมาณ80ปีผู้ชาย70ปีถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเพระาะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้แน่นอนนะว่าทุกคนจะต้อง70 80อาจจะปีหน้าเดือนหน้าหรืออาจจะวันพรุ่งนี้ก็ได้เราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราประมาทไม่ได้นะมีครูบาอาจารย์นั้นพูดเอาไว้ว่าหลายคน บอกว่าเอาไว้แก่เท่าแล้วค่อยไปภาวนาไปปฏิบัติท่านก็บอกว่ามันเหมือนกับเราพยายามจะหัดว่ายน้ำตอนที่เรือมันแตกมันก็ชาไปแล้วเพราะนั้นการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก แตนะ่พราะที่นี่เนี่ยชื่อมันก็บอกไว้ชัดเจนอยู่ว่าเป็นสถาบันสติปัฏฐานนะซึ่งคํานี้ก็เป็นคําที่หลวงพ่อคาเขียนนะท่านได้ให้ทําขึ้นมานะแล้วก็ยืนยันว่าที่นี้เป็นสถาบันสติปัฏฐานเป็นแหล่งที่ให้เราได้มาฝึกนะฝึกเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจโดยอาศัยความรู้สึกตัวการมาอยู่วัดป่าสกุโตถ้าเรามาอยู่นะเพียงแค่ อ่านหนังสือให้รู้ชื่นชมบรรยากาศแล้วก็เป็นหนึ่งในวัดที่คนเขารู้จักกันอันนี้มันก็เป็นความภาคภูมิใจได้แต่ว่ามันก็ไม่น่าจะภาคภูมิใจเท่าไหร่นักถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวกลับไปนะกับการที่เรามาแล้วก็กลับไปที่บ้านเพนะราะนั้นความรู้ที่แท้จริงเนี่ยต้องเป็นความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ ลองผิดลองถูกแล้วสรุปด้วยตัวของเราเองไม่มีใครบอกได้ความรู้นี้เป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่ไม่มีใน Google ไม่มีในอินเทอร์เน็ตความรู้ที่จะต้องประจักษ์แจ้งขึ้นมาในตัวเราเองจากการปฏิบัติแต่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนชักชวนพวกเราเนาะใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยสำหรับเรื่องนี้ให้มากที่สุด เรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องรองรองลงไปนะการช่วยงานส่วนรวมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันเนะพราะเราอยู่กันมากคนแต่อย่าไปใช้เวลากับเรื่องนั้นทั้งหมดเลยนะมีบางคนบางท่านก็มัวไปทำการทำงานนะแล้วก็บอกว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็จริงนะแต่คนที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็คือคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วรู้หลักวิธีการและสามารถที่จะ ประยุกต์ใช้กับการกับงานได้แล้วถ้าเราอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอเรายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยราอยากจะเชิญชวนชักชวนพวกเราให้มาสนใจเรื่องการปฏิบัติให้มากๆโดยเฉพาะการทำในรูปแบบจะอยู่ในกุฏิก็ดีจะมาทาที่หอไต่ก็ดีขอให้เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะการพูดการคุยก็พยายาม น, น้อยๆเท่าที่จําเป็น นะอันนี้ก็จะทาให้เราได้รับประโยชนนะ์ของการที่จะมาอยู่วัดป่าสุกโตมาร่วมกันใช้ชีวิตจะเป็นสวันห้าวันเจ็ดวันก็ดนะีตรงนี้ก็จะทาให้เราได้รับประโยชน์จากวัดป่าสุกโตจากอย่างแท้จริงอลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือเศรธรรมความจริงที่แสดงปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทั้งในกายในใจและก็ในสภาพแวดล้อมต่างๆพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของแต่ละผูแต่ละผู้ค น, นด้วยความเพียรพยายามความตั้งใจความศรัทธานาของทุกท่านะก็ขอให้เป็นพระว่าปัจจัย หนุนนำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นความสุขเกษมสารที่สามารถหาได้ในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร